บทที่หนึ่ง้สี่สิบสาทั้งหมดเอ็นกายลงนอนบริเวณพื้นถ้ามุมตรงข้ามกับแท่นของวายาด้วยความรู้สึกสะดวกสบายเหมือนได้เข้ามาอาศัยนอนอยู่ในเรือนของเจ้าของบ้านผู้ให้ความเป็นกันเองอย่างที่สุดโดยไม่ต้องคอยพวะวงระแวดระวังไัยที่จะมาถึงยามราตรีเหมือนเช่นที่รอนแรมกันอยู่กลางไพรเถื่อนยังน้อยที่สุดณที่นี่ มันก็คือเมืองแม้จะเป็นเมืองของเหล่าวานอนก็ตามทีวานอนผู้ฉลาดฉเฉลียวมีความรู้สึกนึกคิดทั่วไปเกือบจะใกล้เคียงกับมนุษย์ปุตุชนและมีจํานวนประชากรหนาแน่นถึงพันกว่าชีวิตอันแวดล้อมอยู่โดยรอบซึ่งทั้งพันกว่าชีวิตเหล่านี้บัดนี้ก็คือมิตรที่ไว้วางใจได้อย่างสนิทโดยไม่มีอะไรต้องเครือบแคลงอีกแล้วในกลุ่มของพรานพื้นเมืองนั้น พอหลังแตะพื้นได้ครู่ชั่วครู่เดียวก็พากันหลับไหลไปหมดด้วยความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียมาตลอดทั้งวันส่วนคณะนายจ้างยังไม่มีใครสามารถจะสงบจิตพักผ่อนหลับนอนลงได้โดยง่ายแม้แต่มาเรียเองผู้จัดว่าเป็นผู้สามารถตัดกังวลได้มากที่สุดทั้งสี่คนนอนไหลเบียดเคียงกันลืมตาพโพลงแลดูเพดานหินอันดามืด อ, อย่างปราศจากความหมาย ข่าวล่าสุดของมอมราชวงศ์อนุชาวราริศและพรานนำทางนานอินที่ได้รับจากปากคำของวายาทำให้เกิดความพวงขึ้นจนยากที่จะระงับลงได้มันเป็นข่าวที่ชัดเจนกระจ่างแจ้งเหนือกว่าร่องรอยหลักฐานทุกชนิดที่ได้ค้นพบกันมาแล้วระหว่างทางนับตั้งแต่ได้รับรายงานข่าวจากขยินขยะเมื่อถึงหล่มช้างก่อให้เกิดความกระสับกระส่ายเร่าร้อนใจ จนบอกไม่ถูกไม่มีใครทราบความรู้สึกของระพินไตรวันได้เพราะเขานอนง่ายเหยียดยาวแขนทั้งสองประสานกอดอกศีรษะหนุนเปหลังและมีหมวกครอบไว้บนใบหน้าอันเป็นลักษณะเหมือนเช่นที่ทุกคนเห็นอยู่เสมอในการนอนของเขาร่างของพรานใหญ่สงบนิ่งเหมือนกำลังหลับคืนนี้เห็นจะหลับยากสช่ละ ใครคนหนึ่งเอ่ยขึ้นลอยๆในเงามืดพร้อมกับถอนใจยาวเป็นเสียงรำพึงเสมากกว่าที่จะเจตนาพูดกับใครฉันก็เหมือนกันใครอีกคนหนึ่งตอบคำเชตากำลังพยายามจะข่มอารมณ์เพื่อหลับตาลงให้ได้พอได้ยินเสียงน้องสาวและเพื่อนร่วมตายพูดกันเช่นนั้นก็ผงกสีจักขึ้น คิดอะไรตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ขึ้นมาได้หรอกนอนอาแรงไว้ไเผชิญปัญหาใหม่ในวันพรุ่งนี้ดีกว่าเงียบกันไปได้ไม่นานดารินก็อดไม่ได้ที่จะหลุดปากออกมาอีกพี่ใหญ่ว่าพี่กลางขนาดอินขนาดนี้อยู่ที่ไหนคะถามไรสาระเป็นเด็กไปได้น้อยก็ใครจะไปรู้ได้เล่าน้อยน่ะเจ็บใจตัวเองหรือเกินนะคะ ที่ไม่อาจฝืนใจให้เป็นคนเยือกเย็นมั่นคงต่อความรู้สึกอันหวั่นไหวเหล่านี้ได้ในทุกครั้งที่เราพบร่องรอยหลักฐานของพิกลังแม้จะเป็นร่องรอยแสดงว่าเขายังมีชีวิตอยู่ก็ตามมันเป็นทุกครั้งที่น้อยไม่สบายใจเลยที่ไม่สบายใจก็เพราะห่วงกังวลต่ออนาคตหรือเหตุการณ์ทางด้านเขาที่เราไม่อาจมองเห็นและคอยนึกอยู่เสมอว่าอีกสักเมื่อไหร่ถึงจะได้พบ พอข่าวคราวทางเขาจา ง, จางหายไปและแม้ว่าเราจะอยู่ในระหว่างติดตามค้นหาก็ตามมันก็พอจะทำให้ลืมๆถึงข้อกังวลไปได้บ้างเหมือนกันแต่พอได้วีแววเข้าอีกเจ้าความทุกข์ก็กลับคืนมาทรมานความรู้สึกอีกหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาสมมติว่าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่หรือแม้แต่ว่าจะเหลือแต่วิญญาณแล้วเขาจะรู้บ้างไหมนะ ว่าเราพี่น้องเพื่อนฝูงต้องทรมานทุกยากเพื่อเขาสักเพียงไหนน้ำตาของหญิงสาวเริ่มไหลเป็นทางและเสียงก็เครือแหบหายไปในลำคอด้วยอาการสะอื้นพี่ชายเองก็รู้สึกปวดร้าวขมขื่นไปหมดทั้งสมองพูดอะไรไม่ออกเช่นกันได้แต่เอื้อมมือมาตกเบาๆที่ศีรษะของน้องสาวอย่างปลอบใจ ส่วนชายยันผู้นอนชิดอยู่อีกด้านหนึ่งจับมือดารินไว้บีบหนักหน่วงน้อยเราทุกคนที่มาด้วยกันนี่นะมีความรู้สึกอย่างเดียวกับเธอทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าใครจะเก็บความรู้สึกไว้ได้เพียงไรเท่านั้นความจริงนะข่าวที่เราได้รับจากวายาก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีทีเดียวแล้วเราก็กระชั้นชิดเข้ามาเต็มทีแล้วก็คงจะรู้ผลในเร็ววันนี้แหละ พี่ใหญ่คะถ้าจะถือว่าเทือกเขาพระศิวะหรือเนินพระจันทร์เป็นจุดหมายปลายทางเราก็กระชั้นชิดพี่กลางเข้ามาในด้านระยะทางเท่านั้นแต่ระยะเวลามันยังห่างไกลกันเกินกว่าครัวปีอยู่เช่นเดิมนั่นแหละคะ่ะดารินพูดทั้งร้องไห้หล่อนกลายเป็นคนอ่อนแอไปอีกครั้งเมื่อราตรีอันเงียบเชียบวังเวงคืบคลานเข้ามา และยามที่จิตใจกำลังถูกเผาผลาญไปด้วยปริวิตกนาน า, นาประการเช่นนี้มันทำให้ฉันต้องนึกถึงคำพูดตามข้อคิดของเมระยะทางจากที่นี่ไปถึงเดินพระจันทร์มันไม่ห่างไกลอะไรกันนักไม่ว่าพี่กลางจะค้นหาทางขึ้นเทือกเขาพระศิวะสำเร็จหรือล้มเหลวถ้าหากว่าเขายังมีชีวิตอยู่ เขาก็น่าจะผ่านกลับมาทางนี้ได้ตั้งนานแล้วแต่นี่วายาและพวกลิงทุกตัวของที่นี่ไม่ได้วีแววข่าวคราวอะไรจากเขาเลยนะตั้งแต่วันที่เขาจากไปแต่ก็ไม่มีความจําเป็นอะไรนักไม่ใช่เหรือน้อยในการที่กลางกระหน่ำอินจะต้องย้อนกลับมาที่เขาในิรการ น, นี้อีกไม่ว่าเขาจะได้พบความสําเร็จหรือไม่พี่ชายแย้งเบ า, เบา โดยใจจริงเขาก็ครุ้นคิดกังวลใจอยู่เช่นเดียวกับน้องสาวนั่นแหละหากแต่เป็นเพียงการพูดเพื่อปลอบโยนเท่านั้นคิดถึงในแง่ความจริงง่ายๆเถอะครับพี่ใหญ่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่จะต้องย้อนกลับอยู่แล้วและก็ไม่ได้ห่างไกลอะไรอีกอย่างหนึง่งชาวนิลาการที่นี่ทั้งหลายก็เป็นมิตรที่ดีของเขาควรหรือคะที่เขาจะไม่แวะกลับมาอีก ถ้าหากเขามีโอกาสที่จะกลับได้มันไม่มีเหตุผลเลยในกรณีที่คิดว่าทั้งสองคนแสวงหาเส้นทางอื่นเพื่อเดินกลับโดยไม่ต้องผ่านที่นี่เพราะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เขาก็รู้ดีอยู่แล้วว่าถูกต้องที่สุดไม่ว่าจะไปหรือกลับเราตั้งสมมติฐานกันไว้ในขณะนี้ก่อนว่า ทั้งสองคนคงจะหลงอยู่ในเทือกเขาพระศิวะหาทางออกไม่ได้และเรากําลังจะตามไปช่วยเขาออกมาก็แล้วกันน้อยมันจะทำให้เราสบายใจแล้วก็มีความหวังขึ้นเสียงมาเรียแทรกมาแผ่วเบาอย่างไม่สู้จะมั่นคงนักเพราะเจ้าตัวเองก็พูดโดยปราศจากความมั่นใจเหมือนกันเมียพูดถูกแล้วล่ะพี่เชื่อว่าถ้าเราไปถึงเนินพระจันทร์เมื่อไรเราอาจเห็นร่องรอยของเขาชัดเจนขึ้น เพื่อการวินิจฉัยที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดเชิฐากล่าวอย่างหนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กรรับฤาษีกลทัญะองค์เดียวเท่านั้นถ้าท่านเพียงแต่จะเมตตาบอกความจริงแก่เราก็ไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเชิดาขับขึ้นอย่างทอดอาลัยและปรงตกมันจริงอย่างที่ท่านพูดนั่นแหละ อนาคตวิถีชีวิตของมนุษย์และอื่นใดทั้งหลายทั้งปวงนะ่ะมันเป็นความลี้ลับเกินกว่าที่ปุถุชนจะร่วงรู้ได้ถ้าคนเราสามารถจะร่วงรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตสักอย่างเดียวโลกนี้จะยุ่งยากอละเวงไปหมดยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมุติว่าท่านบอกให้เรารู้ว่าพรุ่งนี้หรือมรืนนี้จะเป็นวันสิ้นสุดแห่งชีวิตของพวกเราทั้งหมดหรือคนใดคนหนึ่ง ก็แล้วลองคิดดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างฉันบอกตามตรงนะว่าฉันไม่เคยเชื่อหมอดูเลยเพราะหมอดูแอบทํานายทายทักอนาคตของคนเราเป็นต้นว่าผรุ่มนี้อย่ากออกจากบ้านนะจะเกิดอุปัตตเหตุหรือจะได้รับภัยพิบัติต่างๆให้สงบจิตยอยู่กับบ้านอะไรทํานองเนี้ยซึ่งฉันก็อยากจะถามหมอดูนั่นเหมือนกันว่าก็ทำามันจะต้องเกิดขึ้นเช่นนั้นจริงๆแล้วมันจะหลีกเลี่ยงไปได้ยังไง เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้จริงอย่างเช่นพระอริยบุคคลหรือพระโสดาบันท่านจึงไม่ยอมปริปากพูดใดๆทั้งสิ้นในสิ่งที่ท่านรู้และเห็นอดีตนายทหารปืนใหญ่เว้นระยะไปครู่ท่ามกลางความเงียบแห่งการใช้สมองของทุกคนแล้วก็กล่าวเรื่อยๆต่อมาว่าแต่ฉันคิดว่าการที่เราได้รู้จักและคบเป็นมิตรกวายา ตลอดจนสามารถพูดกับเขาได้รู้เรื่องเช่นนี้เนี่ยเราน่าจะได้ประโยชน์อะไรมากทีเดียวนะเกี่ยวกับการสืบหาตัวอนุชาเราต้องไม่มองผ่านความจริงชนะว่าวายาและยิลิงทุกตัวของที่นี่เป็นเจ้าของถิ่นมีความชํานาญปรุโปรง่งต่อภูมิประเทศแถบนี้เหนือกว่าเรามากมายนักเพียงแต่ถ้าเขาจะให้ความร่วมมือกับเราเท่านั้นได้หมายความว่ายังไงชัยชน เชื่อไหมล่ะว่าในเรื่องการตามรอยกันแล้วพรานใหญ่ระพินของเราเองก็คงจะสู้วายากะลิงพวกนี้ไม่ได้ถ้าหากเขาจะช่วยเราโดยรู้จุดมุ่งหมายแน่นอนว่าจะตามรอยใครคําพูดของชัยยันทําให้อีกสามคนที่นอนฟังอยู่หูพึงขึ้นมาด้วยความสนใจชายันคุณหมายถึงว่าเราจะขอร้องให้วายากับบริวารของเขา ช่วยติดตามค้นหาคนหายสาบสูนย์อย่างนั้นเหรอมาเรียถามขึ้นก็้าเป็นไปได้นะแล้วมันก็ควรจะเป็นไปได้ด้วยผมเชื่อแน่นะว่าวายาจะต้องยินดีร่วมมือกับเราอย่างไม่มีปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะขอร้องเขาหรือไม่เท่านั้นแหละชัยยันความคิดของเธอดีแล้วก็มีเหตุผลแต่ลืมไปใช้แล้วเหรอ วายาณนะขณะนี้เขายังเจ็บหนักแม้แต่ชีวิตตัวเองก็แทบจะเอาไม่รอดไม่อาจขยับขยื้อนไปไหนได้ทั้งสิ้นถึงเขาอยากจะช่วยเราสักเพียงไหนก็ตามเขาก็ช่วยเราไม่ได้แน่ๆหมอดารินแย้งมาในขณะเดียวกันท่านทูตทหารบกหัวหน้าคณะก็เสริมต่อมาว่าและทางฝ่ายเราก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะทวงเวลารอคอยจนกระทั่งวายาหายดี เพื่อช่วยเหลือร่วมมือกับเราในสิ่งที่แกหวังนี้ด้วยเพราะเราจะต้องไปให้ถึงจุดหมายเนินพระจันทร์ตรงตามกำหนดเวลาทวาย า, าปกติเรียบร้อยดีข้อแนะนำของแกก็ถูกต้องที่สุดแล้วฉันก็เพียงแต่ให้ข้อคิดไว้เท่านั้นแหละเชิดทาเพื่อเราจะมองเห็นช่องทางอื่นซึ่งอยู่ในแนวเดียวกันนี้ได้บ้างฉันไม่ได้หมายความโดยตรงถึงว่าจะบังคับห้คนเจ็บ ลุกขึ้นจากที่ไม่ได้ต้องมาเป็นมัคุเทศนำทางให้กับเรานี่อถ้าเช่นนั้นจะใช้วิธีนี้ได้ไหมมารียนเสนอโดยที่ตนเองก็ไม่มีความมั่นใจอะไรเหมือนกันถึงแม้ว่าวาญาจะไปกับเราไม่ได้แต่บริวารทหารเอกของเขาก็มีอยู่มากมายพวกนี้ล้วนเป็นนักแกะรอยชั้นเยี่ยมเฉลียฉลาดทั้งสิ้นอย่างน้อยก็มีนีลาอยู่อีกตัวหนึ่งละ เพียงแต่ให้วายาออกคำสั่งกับทหารเอกของเขาและให้ช่วยทำความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งซะล่วงหน้าโดยบอกให้นีลารู้ว่าจะต้องทำอะไรให้กับเราบ้างนีลาก็อาจจะแทนตัววายาได้เหมือนกันไม่ใช่เหรอเป็นความหวังที่เลื่อนลอยเกินไปนะเชกถาพูดสุขุมรอบคอบว่านีลานะสามารถทำความเข้าใจกับวายาได้เพราะรู้ภาษากัน แต่นีลาผู้กับเราไม่รู้เรื่องนะถึงยังไงเราก็ไม่มีทางจะใช้ประโยชน์ใดๆจากลิงพวกนี้ได้โดยปราศจากหัวหน้าควบคุมกำกับอยู่ด้วยมันอาจไปกับเราได้ครึ่งทางแล้วก็หนีกลับซะก่อนหรือมิฉะนั้นก็พาเราเตลดเิดเปิดเปิงผิดเช่นทางไปไหนแต่ไหนยิ่งทำให้เกิดความยุ่งยากเสียผลมากขึ้นแลอีกอย่างหนึง่งนีลาก็รักและเป็นห่วงเจ้านายของมันมากสังเกตดูจะเป็นทหารเอก ใกล้ชิดตัวพญาของมันมากที่สุดมันคงไม่ยอมตามเราไปโดยทิ้งวายาวไว้ตามลำพังหรอกแล้วนี่เราจะปรึกษาหารือกันอยู่เพียงสี่คนเท่านั้นเหรอเนี่ยพลานใหญ่ของเรานะ่ยเขาทิ้งให้พวกเราเผชิญกับปัญหาไปตามลำพังหรือยังไงดารินพูดเปลยขึ้นลอยๆยเงียบไม่มีเสียงหรือปฏิกิริยาเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้น จากคนที่นอนเอาหมวกคลุมหน้าห่างออกไปทางหนึ่งพี่ชายจึงบอกน้องสาวและทุกคนว่าอย่าเพิ่งรบกวนอะไรเขาในตอนนี้เลยน้อยปล่อยเขาพักเธอะระพินนะ่ะเหนื่อยยากกรากรมกว่าพวกเราทุกคนแล้วสำหรับการปรึกษาหารือนั้นความจริงเราก็ควรจะยุติลงได้แล้วละ่ะสำหรับคืนนี้นอนพักผ่อนกันซะ ก, ก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ที่นี่เมื่อพวกเรายังนอนกันไม่หลับก็อย่าไปกวนเขาดีกว่า ดารินอยากจะพูดว่าคนคนนั้นเน่นอนหลับหล่อนไม่ชื่อหรอกแกล้งลูกไม้ทำเป็นหลับไปงั้นเองแหละเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาพูดอะไรอยู่อีกตามประษาคนใจดบคบกันมาจนถึงขนาดนี้แล้วทำไมจะไม่รู้เส้นแต่ก็ช่างเถอะอย่าพูดซะดีกว่าเกี่ยวกับความกระด้างชาเย็นและเฉยเมยประดุดท่อนหินของคนคนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อรวมกลุ่มอยู่พร้อมหน้ากันทั้งหมู่คณะเช่นนี้การพูดจาสิ้นสุดลงเพียงเท่านั้นกลายเป็นความเงียบที่คืบคลานเข้ามาครอบงำไว้เวลาล่วงผ่านไปจนกระทั่งคเนแน่ว่าทุกคนหลับสนิทหมดแล้วเหลือแต่เพียงหล่อนคนเดียวเท่านั้นซึ่งถึงแม้ตาจะหลับพยายามข่มจิตหักใจสักเพียงไรสมองก็ไม่ยอมพักเต็ไมไปด้วยความฟุง้งซ่าน ดารินเปิดเปลือกตาขึ้นอีกครั้งพังกกายขึ้นอย่างกระสับกระสายอารมณ์หว่าตามองไปยังพักพวกหมู่คณะที่นอนสงบนิ่งเรียงรายอยู่รอบด้านบังเกิดความร้อนรุ่มกระวนกระวายใจจนสุดที่จะทนฝืนใจนอนอยู่ต่อไปได้จึงลุกขึ้นอย่างแผ่วเบาคว้าควยฉายกระไรเฟินประจํามือจรดฝีเท้าออกมาจากกลุ่มที่นอนหลับกันอยู่นั้นมาสู่อากาศอันมืดมน หนาวเย็นเบื้องนอกตรงบริเวณลานกว้างของปากเวิงถ้ำผักมันเงียบเงียบสิจนได้ยินเสียงน้ำค้างหยดกระทบก้อนหินอยู่ทั่วไปสายหมอกเป็นกลุ่มๆ ล, ลักษณะคล้ายก้อนเมฆพัดผ่านกายหลอนไปอย่างแช่มช้าหอบเอาละอองไอน้ำอันเย็นชำ่ำเข้ามาอาบพรมจนใบหน้าและเสื้อผ้าจะเก็ดหนังที่สวมอยู่ เปียกชื้นไปหมดหญิงสาวทอดเท้าเดินช้าๆไปตามหมู่หินงดงามที่งอกแซมอยู่เป็นแถวแนวเหล่านั้นแล้วมาหยุดยืนอยู่ริมทางด้านหนึ่งในระหว่างถนนอันคดเคี้ยวพาดสลับกันไปมาของชาวนครลิงตั้งใจว่าจะทรมานตนเองด้วยความหนาวเย็นจนกว่าจะคลายความร้อนรุ่มภายในและสงบจิตลงได้จึงจะกลับ เข้าไปนอนมีเสียงฝีเท้าที่เดินด้วยอาการปกติตามช้าๆมาทางเบื้องหลังไม่มีความจำเป็นอย่างใดที่หล่อนจะต้องเลี้ยวกลับไปมองเพราะรู้อยู่แล้วว่าจะอย่างไรเสะการเคลื่อนไหวของตนเองไม่มีวันจะรอดพ้นจากสายตาของคนคนนั้นไปได้แล้วเจ้าของฝีเท้าก็เข้ามาหยุดยืนอยู่เบื้องหลัง ในขณะที่ดารินใช้ไฟฉายส่องดูอะไรอย่างปราศจากจุดหมายแน่นอนไปข้างหน้ามันกราดระไปตามหมู่หินและพุ่งลำฝ้าสายหมอกขึ้นไปสู่เงาอันสลัวรางแห่งรัตติการดำมืดแห่งยอดเขาบนหน้าผาที่สูงขึ้นไปต่างฝ่ายต่างนิ่งไม่พูดจากันอยู่เช่นนั้นแล้วก็ไม่ได้มองหน้ากันด้วย เพราะฝ่ายที่ยืนใช้ไฟอยู่ไม่ได้เลี้ยวกลับมาส่วนฝ่ายที่ยืนอยู่เบื้องหลังก็ไม่ได้ก้าวล้ำออกไปในรัศมีเบื้องหนะ้าถ้าคุณเห็นว่าฉันเป็นคนยุ่งที่สุดในบรรดาคนที่อยู่ในความรับผิดชอบของคุณก็ควรจะปล่อยฉันทำอะไรโดยลำพังเสียบ้างโดยไม่จำเป็นจะต้องมาพลอยลำบากเดือดร้อนอะไรด้วยอย่างเช่นเวลานี้เป็นต้น ฉันออกมาเดินอยู่คนเดียวก็ปล่อยฉันซะบ้างเป็นไรหน้าที่ของคุณคือนอนพักก็นอนไปผมไม่เคยเห็นว่าคุณหญิงเป็นคนยุ่งอะไรเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องพูดเพื่อเอาใจฉันหรอกฉันรู้ตัวฉันเองดีว่าฉันเป็นยังไงในความรู้สึกของคุณฉันชอบทำปัญหาจุกจิกกวนใจให้เกิดขึ้นกับคุณเรื่อยมาทั้งทั้งที่ฉันก็ไม่ได้เจตนาเลย ความจริงฉันก็ไม่ได้ต้องการให้คุณต้องมาลำบากตามออกมาดูแลอะไรใช่หรอกแล้วฉันก็ไม่คิดว่าจะไปไหนไกลจากที่พักในเวลาเช่นนี้คุณกลับไปนอนสะักทะีอีกสักประเดี๋ยวฉันก็จะกลับไปนอนเหมือนกันขอยืนตากหมอกให้มันเย็นลงฉัหน่อยเท่านั้นความจริงอากาศในถ้าพักนั่นก็เรียกว่าเย็นเยือกอยู่แล้วนะครับแต่ข้างนอกนี่มันกลับหนาวลงไปอีกจนตัวคุณหญิงเองก็สั่นเป็นลูกนกอยู่เดี๋ยวนี้ แล้ยังจะต้องการความเย็นลงอีกสักแค่ไหนล่ะครับก็เย็นในหัวใจมันเป็นก้อนน้ำแข็งสรูแลวรู้รอดไงคุณหญิงครับในความรู้สึกของคุณหญิงเห็นว่าพรานรับจ้างที่ชื่อรับพินไพรวันคนนี้เอาใจใส่ต่อความทุกข์ยากของคุณหญิงหรือคณะนายจ้างน้อยไปเช่นนั้นเหรอครับเช่นในขณะนี้คุณหญิงกาลังกลับกลุ่มวุ่นวายใจอยู่ในเรื่องคุณชายอนุชา แล้วผมก็ไม่ลุกขึ้นมานั่งร่วมรับฟังความทุกข์ของคุณหญิงด้วยโดยนอนใช่อย่างนั้นละมั้งนายจ้างสาวผู้สูงศัก์นิ่งไปครู่ก็ถอนใจเบาๆบางทีฉันอาจคิดฟุ้งซ่านมากและเอาแต่ใจตัวเองเกินไปก็ได้แต่บางทีอคุณก็ทำเหมือนกับว่าเป็นคนใจดำจริงๆนะรพินทั้งๆที่โดยแท้จริงฉันรู้ว่าคุณไม่ได้เป็นคนอย่างนั้น ฉันรู้ว่าคุณไม่ได้หลับเพราะแต่แกล้งทําเป็นนอนหลับเพราะไม่อยากจะมาพูดอะไรซ้ําๆซักๆโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรกับพวกเราเพราะมันก็เหมือนกับภายเรือวนเวียนอยู่ในอ่างนั่นแหละก็เป็นอันว่าคุณหญิงรู้ใจอ่านผมออกปลุกโพร่ปปรงดีอยู่แล้วนี่ครับโดยที่ไม่ต้องให้ผมอธิบายอะไรและฉันก็ไม่ได้ต่อว่าต่อขานอะไรคุณไม่ใช่เหรอเนี่ยครับแต่ภายในคุณหญิงก็คุณ หงุดหงิดใจกับผมจนได้แล้วฉันจะพยายามไม่คุณไม่หงุดหงิดถึงได้ออกมายืนสงบใจอยู่คนเดียวอยู่งี้ไงล่ะแล้วคุณหญิงเคยคิดเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างไหมล่ะครับคิดยังไงก็คิดว่าเกิดมาเป็นระพินนี่มันแย่แสนยากไปทุกสิ่งทั้งกายทั้งใจ ดารินหมุนตัวกลับมาอย่างรวดเร็วโผเข้ามากอดเขาไวแ้แนบแนบซุกหน้าลงกับแผ่น อ, อกพรานใหญ่ยืนนิ่งอยู่ขณะจิตก็ยกแขนทั้งสองขึ้นประทับกอดไว้แน่นเช่นกันจนสามารถยังเสียงหัวใจของกันและกันเต้นได้ใบหน้าของเขาก้มลงแนบกับกลุ่มผมของหลอนอยู่เช่นนั้นทั้งสองอยู่ในวงแขนกันและกัน นานเท่านานท่ามกลางสายหมอกอันเยือกเย็นและความมืดมิดวิเวของสถานที่ระพินอย่ารำคาญฉะ น, นะอายุฉันจนป่านนี้แล้วแต่บางทีฉันก็ทำอะไรเหมือนเด็กๆที่ไร้เหตุผลเหมือนกันตะแหน่แงงอนกระบึงกระบอลออกกับคุณเรื่อยฉันก็อยากให้คุณเอาใจใส่กับฉันมากๆฉันรู้ว่าคุณก็เป็นเช่นนั้น แต่นิสัยคุณไม่ชอบแสดงออกให้ใครเห็นและฉันก็อดน้อยใจไม่ได้คุณหญิงครับผมนี่อยากจะเอาใจคุณหญิงให้มากที่สุดไม่อยากจะให้คุณค้องขัดใจแม้แต่เท่าปลายเล็บนะครับแต่ผมก็ทำได้เพียงเท่านี้แหละครับนี่ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะแกล้งนอนหลับเฉยอยู่ต่อไป โดยไม่จําเป็นจะต้องเดินตามออกมาง้อเงอนพูดจาอะไรอีกทั้งสิ้นเพราะทํามาซัจนเบื่อแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับเข้าไปเองถึงยังไงก็คงไม่กล้าไปไหนได้ไกลหรอกดัดนิดสัยซะบ้างคราวหลังจะได้ไม่ต้องทํากระบึงกระบอลอะไรอีกระพินแตะปลายคางนั้นขึ้นแลลึกลงไปในดวงตาแล้วสายหน้าช้าๆไม่หรอกครับคุณหญิง ผมทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกทั้งๆ ท, ที่เคยมีความคิดเช่นนั้นเหมือนกันนี่มันก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผมแคร์คุณหญิงมากซึ่งคุณหญิงก็ทราบดีอยู่แล้วเว้นแต่จะแกล้งทำเป็นไม่ทราบเท่านั้นดารินยิ้มออกมาได้จ้องสบตาเขาสนิทนิ่งด้วยประกายอันดื่มดำ่ำยกมือขึ้นรูปที่ปลายคางอันสากครึ้มไปด้วยเรานั้น ฉันจะไม่ทำให้คุณลําบากใจแล้วละ่ะไปเรากลับเข้าไปในที่พักกันเถอะถึงฉันจะยังนอนไม่หลับก็จะพยายามนอนนิ่งๆอยู่กับที่โดยไม่ทาให้คุณต้องคอยกังวลออกมาเฝ้าตามอยู่อย่างนี้ละ่ะพรานใหญ่ยิ้มตอบจูบที่ข้อมือซึ่งรูปไล่อยู่บนใบหน้าของเขาข้างนั้นคุณหญิงกลับเข้าไปก่อนนะครับผมจะอยู่ที่นี่อีกสักครู่แล้วเดี๋ยวจะตามเข้าไป ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ฉันจะต้องขอร้องคุณบ้างละระพินเรากลับเข้าไปพร้อมกันเถอะนะฉันไม่ต้องการให้คุณมาแกลวทรมานอยู่ที่นี่ซึ่งต้นเหตุมาจากการแส่ไม่เข้าเรื่องของฉันผมมีเหตุผลในข้อที่ว่าไม่อยากจะให้พวกเราคนใดซึ่งอาจจะตื่นขึ้นมาเห็นได้หากว่าเรากลับเข้าไปข้างในพร้อมกันทั้งสองคนในขณะนี้ปัญหามันจะติดตามมาว่า ผมก็คุณหญิงน่ะออกไปไหนกันมาก็แล้วมันจะต่างอะไรกันนักระพินถึงแม้คุณจะไม่ไปพร้อมฉันและบังเอิญตื่นขึ้นมาเห็นฉันเดินกลับเข้าไปคนเดียวแต่คุณไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยก็บอกเขาตามตรงสิครับว่าคุณหญิงเดินออกมารับลมข้างนอกผมเห็นเลยออกมาตามให้คุณหญิงกลับเข้าไปส่วนผมยังเดินตรวจดูบริเวณอยู่ ราชสกุลสาวหัวเราะเบาๆผลมันก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละระพินคือสรุปว่าระหว่างที่พวกเขานอนหลับกันอยู่ฉันกับคุณปลีกตัวออกมาข้างนอกแต่เอาเถอะฉันจะเป็นฝ่ายว่า ง, ง่ายสำหรับคุณบ้างกล่าวจบก็หันไปฉวยไฟฉายกระไรเฟิน้นที่วางไว้บนก้อนหินหมุนตัวช้าๆจะเดินผลักไป ระพินเก้าวเข้าไปใกล้ระวังนะครับคุณหญิงหมอกกาลังลงระยะทางมันใกล้ก็จริงแต่ถ้าเผลออาจเดินหลงไปได้นะครับจําแนวเส้นทางเดินนี่ไว้อย่าเลี้ยวไปทางอื่นใช่นะครับดารินรีรอก็ทําไมคุณไม่ไปส่งฉันให้ถึงปากถ้ำที่พักล่ะหล่อนอยากจะพูดเช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้พูดออกมา เพียงแต่อ้อยอิงมองหน้าอย่างมีความหมายอยู่เช่นนั้นระพินรวบเอาร่างงามเข้ามากอดประทับกับอก อ, กอีกครั้งแล้วก้มลงจูบหนักหน่วงเหมือนจะรู้ใจว่าไปเถอะครับคุณหญิงย้ายผมไปส่งคุณหญิงเลยเดี๋ยวใครเห็นครับถ้าฉันหลงก็ไม่ต้องตาม่้ยุ่งยากนะอดไม่ได้ที่จะทิ้งทายไวยให้สะดุ้งใจเล่น แล้วพลักเดินย้อนทางเดิมหายเข้าไปในม่านหมอนพรานใหญ่ยืนมองจนรับตาอย่างกริง่งเกรงลังเลใจพอก้าวขาจะออกเดินตามไปดูให้รู้แน่ว่าหล่อนกลับไปถึงปากถ้ำที่พักเรียบร้อยดีหรือไม่ก็สะดุ้งขึ้นสุดโตด้วยความตกใจเมื่อเสียงทุ่มดังมาจากเบื้องหลังว่า คำพังเผยของชาวม ร, มรกนรนครกล่าวไว้ว่าอันว่าสตรีนั้นมักจะทำให้บุรุษที่นางรักมีความกังวลอยู่กับนางเสมอตามธรรมชาตินิสัยเขาหันขวับไปเผชิญหน้าแล้วยืนนิ่งยังทำอะไรไม่ถูกแง่ทายเดินหน้าตายเข้ามาจนใกล้แล้วค่อยๆพยอ ย, ยิ้มจนเห็นไรฟันกล่าวต่อมา ในระหว่างที่เขายังยืนงันอยู่ที่นั่นว่านายใหญ่ตื่นขึ้นมาไม่เห็นนายหญิงกับผู้กองก็เลยให้งแง่ซ้ายออกมาดูครับนั่นดูเหมือนจะเป็นไพ่ตายใบสำคัญที่สุดซึ่งรพินไทรวันไม่อาจแสดงสิ่งใดออกมาได้เลยทั้งสิ้นแต่เจ้าความรู้สึกที่ว่าอยากจะกระทืบเจ้าแง่ซ้ายเสียเดี๋ยวนี้ในความสอดรู้สอดเห็นก็เกิดขึ้นมา โดยไม่ได้ตั้งใจหรืออาจตั้งใจก็ไม่ทราบได้ระหว่างที่เลี้ยวขวับมาตามเสียงพูดนั้นในครั้งแรกปลายกระบอกไรเฟิลของรพินจี้ตรงแง่ายพอดีและบัดนี้ขณะที่อดีตร้อยโทกองโจนกระเรียงเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆปลายลำกล้องที่ยังถือค้างก็จ่ออยู่ตรงคอหอยงแง่ทายค่อยๆใช้มือปัดปลายกระบอกปืนเบนห่างตัวออกไปอย่างนุ่มนวล พร้อมกับรอยยิ้มที่กว้างออกไปอีกเป็นความจริงอะที่ว่านายใหญ่ตื่นขึ้นมาไม่เห็นจันกับนายหญิงจิงใช้แกออกมาดูอะผู้ ก, กองก็ทราบดีอยู่แล้วนี่ครับบุ๊ผมไม่โกหกโดยไม่จำเป็นผมนอนหลับของผมอยู่ดีๆถ้าไม่เป็นคำสั่งผมก็คงไม่ลุกขึ้นมาลาบากหรอกแก่นหรือนอนหลับอ๋อ ขอโทษครับผมอาจจะพูดผิดไปความจริงผมก็หลับหลับตื่นตื่นแต่ก็บังเอิญตื่นขึ้นมาครั้งสุดท้ายพร้อมกับนายใหญ่ก็เลยถูกใช้ครับผมแกเห็นหรือเปล่าว่านายหญิงลุกออกมาข้างนอกฉันก็เลยต้องตามออกมาดูก็คลับคล้ายคลับคล้าว่าจะเป็นเช่นนั้นแหละครับในความหลับหลับตื่นตื่นของผมอะ แล้วนายใหญ่ตื่นขึ้นมาตอนไหนก็คงจะทีหลังที่ผู้กองสะกดตามนายหญิงออกมาแล้วนายใหญ่พงโงกตัวขึ้นนั่งมองไปที่นอนของนายหญิงเห็นหายไปมองไปที่นอนผู้กองก็หายไปอีกคนมองไปอีกทีหนึ่งเห็นแง่ทรายนอนลืมตาแล้วแกก็บอกความจริงให้หนายใหญ่ทราบตามที่แกเห็นหรือเปล่าว่าเพราะนายหญิงลุกออกมาข้างนอกตามลาพัง ฉันถึงต้องตามออกมาบังเอิญนะครับบังเอิญบังเอิญนายใหญ่ไม่ได้ถามผมนอกจากมีคำสั่งอย่างเดียวผมก็เลยต้องปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเดียวเหมือนกันครับผมจอมพรานสมบตอุบอิบในลำคอยกมือขึ้นเกาโกกหูแกรกผับพายถือว่าไอ้แงายซ นีนายใหญ่เขาไม่คิดหรือว่าชั้นนัดน้องสาวก็ออกมาพบในที่รับตายามวิการในขณะที่พวกเขาทุกคนหลับกันหมดแล้วก็ทำไมล้ะทำไมแกถึงไม่บอกความจริงตามที่แกเห็นแง่ส า, ายตีหน้าตื่นอย่างสนิทเอ๊ผมก็ไม่เห็นว่าผู้กองจะต้องมีเรื่องเลือดเนื้อร้อนใจอะไรนี่นายหญิงหลงป่าพลัดพรากไปกับผู้กองสองต่อสองหลายครั้ง หน้าใหญ่ก็ไม่เห็นพูดอะไรซักคำไม่ใช่เหรอครับแค่เพียงรอบออกมาพบกันตามลำพังสองต่อสองแค่นี้มันจะกระไรนักเชียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้กองกับนายหญิงมีธุระสำคัญที่ไม่อยากให้ใครรู้เห็นนี่ถามจริงๆเธอไงสายแกรู้สึกตัวบ้างไหมว่าฉันอยากจะกระทืบแกเต็มทนแล้วครับแต่ผู้กองก็ยังทาตามที่คิดไม่ได้นักนะครับ เพราะยังไม่มีเหตุผลเพียงพอแล้วแกมายืนอยู่ที่นี่นานสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่หลังจากเหตุการณ์ที่น้องสาวของนายจ้างกับพรานผู้นําทางจะทําความเข้าใจกันได้ก็ทําไมแกไม่เสียงอะไรเลยบังเอิญอีกแล้วครับบังเอิญผมไม่ชอบการขัดจังหวะพรานใหญ่พยักหน้าพูดเรียบเรียบว่า เอาละนายหญิงก็กลับเข้าไปนอนแล้วแต่เองก็ควรจะตามเธอไปด้วยถ้าขืนอยู่ที่ในต่อไปจะโดยเหตุผลเพียงพอหรือไม่ก็ตามฉันไปแกแน่ส่วนถ้านายใหญ่ถามก็จะรายงานยังไงก็ตามใจแกก็ผู้กองนั่นแหละรครับควรจะกลับเข้าไปาจะรายงานานายใหญ่ยังไงก็สุดแล้วแต่ผู้กองเหมือนกันส่วนผมติดธุระจาเป็นเฉพาะหน้าซะแล้วแหะครับ รพินขมวดคิว้วหมายความว่ายัางไงธุระจำเป็นเฉพาะหน้าอะไรวะอ้าวก็ธุระที่ผู้กองบัญชาใช้ผม ไ, มไว้นั่นแหละครับพร้อมกับพูดเงยสายหันไปเบื้องหลังของเขายกมือขึ้นดีดเป็นสนนัญญาณพอสิ้นเสียงร่างดำสนิทของทะมนตัวหนึง่งก็ค่อยๆโผล่ออกมาจากหลังก้อนหินเมื่อเพ่งไประพินก็จาได้ทันที ว่ามันคือนีลาเจ้าทหารเอกเมืองขีดขินค่อยๆเดินสองขาเข้ามาหยุดเคียงข้างแง่ทรายทำเสียงอึกอึในลำคอเบาๆระหว่างที่ผมออกมาตามผู้กองเนี่ยพบนีลาพอดีครับมันกำลังวิ่งพรวดพราดกลับมาจะบ่ายหน้าเข้าไปในถ้ำที่นายของมันนอนอยู่ผมก็เลยสกัดหน้ามันไว้ซะก่อนพยายามสอบฐานเรื่องดู ก็พอจะอ่านออกได้จากอาการใบ้ของมันว่าไอ้สามเขากําลังจะปีนขึ้นมาทางเส้นทางด้านตะวันออกอันเป็นทางที่ขึ้นมาได้ง่ายที่สุดซึ่งผู้กองสั่งให้มันไปคอยดักเฝ้าสังเกตการอยู่ไอ้ตัวเจ้ากันนะ่ะค้นพบทางเขาละผมคิดว่าอย่างช้าอีกไม่เกินชั่วโมงนี้มันคงจะบุกทะลวงเข้ามาถึงใจกลางเมืองลี่ยิงเป็นโอกาสของผมละที่จะทําตามคําสั่งของผู้กองให้สิ้นสุ์ไปในคืนนี้ จอมพรานตาลุกโผล่ขึ้นในทันทีนั้นแทบจะลืมเรื่องอื่นใดหมดสิ้นปราดเข้าไปชิดตัวนีลาร้องซักถามออกมา ท, ทั้งทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่าไม่มีวันส่งภาษาเจราจากันได้รู้เรื่องนีลาแสดงอาการลุกลี้ลุกลนยกมือทั้งสองขึ้นทุบ อ, อกและชี้มือไปทางด้านตะวันออกอย่างชนิดน่าจะแปลความได้เช่นเดียวกับที่แง่าสายบอกรพินหันไปทางแง่าสายโดยเร็วนี่ และเจ้านายของเราหนะูรู้เรื่องแล้วหรือยังยังครับผมดักนีลาไว้รังตัวมันออกมาก่อนที่มันจะเข้าไปบุยวายบอกนายของมันในถ้ำซึ่งจะพลอยให้พวกเจ้านายของเราทราบด้วยเอาเป็นว่าถ้าผู้กองกลับเข้าไปจะบอกให้พวกเขารู้ภัยหลังก็ได้ว่าผมกําลังออกไปรับมือกับมันแล้วก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนตามสบายไม่ต้องห่วงผมครับกล่าวเพียงแค่นั้นแง่สายก็พยักหน้าเป็นสัญญาณกัธโมลใหญ่นีลา แล้วทั้งสองก็พละออกเดินจากไปทันทีโดยนีลาเป็นผู้นำไปอย่างรีบรุษรพินไม่ได้แยกกลับไปยังที่พักหากแต่สาวเท้ากระชั้นชิดแง่ซรายเข้ามาโดยเร็วดีมากแง่ทา ย, ายที่กยังไม่ได้กระตุกกระตากบอกให้เจ้านายเรารู้ฉันต้องการให้เขานอนพักผ่อนกันให้สบายที่สุดคอยรู้ตอนที่เราจัดการเสร็จเรียบร้อยละเราเหรอครับอืม ฉันจะไปกับแกด้วยอา้าวก็ไหนผู้กองบอกจะใช้ผมจัดการกับมันเองคนเดียวผู้กองจะขอนอนพักไงครับระพินไทรวันหัวร้อหืมในลำคอตบหลังแง่ทรายหนักหน่วงนี่แง่ทรายฉันจะชังขี้หน้าแกสักขนาดไหนแต่ฉันก็ยังไม่ต้องการให้แกตายหาซะในตอนนี้หรอกหมอกกำลังลงจัดเหลือเกินเวลากลางคืนด้วยและลูกปืนของแกมันก็เล็กไป สำหรับไอสามเขาตัวนั้นน่ะแงใสยสูดลมหายใจลึกยิ้มพรายเอียงหน้าเข้ามากระซิบผูกกองครับผมรู้มานานแล้วละ่ะว่าปูกกองนรักผมไม่มีวันหรอกที่จะปล่อยให้ผมเป็นอันตรายหรือผเผชิญกับภัยพิบัติใดๆตามลาพังหรอกกลาบใดก็ตามที่ผูกกองยังมีลมหายใจอยู่ระพินไพรวันอุทานอะไรออกมาคาหนึ่งในลาค อ, อย่างงุดหงิด หันไปจ้องตาแง่าสายหัวเราะกังวานทุม่มไม่เ อ, อ่ยหรือแสดงอาการอย่างใดทั้งสิน้นก้าวตามหลังการนําของนีลาไปอย่างรวดเร็วโดยมีอีกฝ่ายหนึ่งที่ดานใจเพราะถูกทั้งยั่วทั้งแย่อยู่ตลอดเวลาติดตามหลังมาด้วยดารินวราริจจรดฝีเท้ากลับเข้ามาในถ้าที่พักโดยมีโอกาสรู้เลยว่าเมื่อหล่อนคล้อยหลังจากระพินเพื่อบ่ายหน้ากลับมานั้น เจ้าองครักษ์พิเศษของหลอนได้ปรากฏตัวขึ้นทั้งเบื้องหลังของพรานใหญ่และทั้งคู่มีการเจรจากันเช่นไรขณะที่ย่องมาถึงบริเวณที่พักพวกนอนเรียงรายกันอยู่หลอนสังเกตเห็นทุกคนหลับสนิทกันหมดไม่มีใครเลยซักคนที่จะตื่นขึ้นมาเห็นการเคลื่อนไหวของตนแม้แต่พี่ชายของหลอนเองซึ่งจับว่าเป็นคนนอนวัยก็ส่งเสียงกรนอยู่เบาๆแสดงว่าหลับเป็นตาย จากความอ่อนเพลียที่กรั ม, มาทาง้งวัดถูกแล้วท่านหัวหน้าคณะภายหลังจากม้อยหลับไปแล้วก่อนหน้าที่ดารินจะย่องออกไปข้างนอกเขาก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยดังนั้นคำบอกเล่าของแงซายที่บอกกับพรานใหญ่ว่านายใหญ่ตื่นและเห็นน้องสาวหายไปจากที่นอนจึงใช้ออกไปตามนั้นจึงเป็นเรื่องตอแหลของเจ้ากะล่อนหน้าซื่อซึ่งโกหกเอาซึ่งซึ่งหน้า อย่างชนิดที่รู้แน่ว่าระพินไพรวันย่อมไม่มีโอกาสจะจับได้ในภาวะเช่นนี้เชื่อแน่ว่าจะไม่มีการรื้อฟื้นซักซ้อมเพื่อแสวงหาความจริงออกไปดารินน่ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างว่าใครลูกไม้โกหกใครไว้ด้วยเรื่องอะไรเพราะหล่อนเองก็ผละจากระพินมาสก่อนที่แง่ท า, ายจะปรากฏตัวขึ้นแต่ที่เห็นและรู้สึกอยู่ในขณะนี้ก็คือทุกคน พากันหลับสนิทไปหมดหล่อนกำลังจะคลานเข้าไปแทกตัวนอนประจำที่ของตนตามที่ตั้งใจและรับคำไว้กับเขาผู้นั้นแต่แล้วบังเอิญสายตาที่กวาาสำรวจไปรอบๆโดยอาศัยความสลัวจากเปลวไฟบนใต้าตามผนังถ้าพลันสายตาก็แลไปพบตำแหน่งนอนของแงซทรายว่างเปล่าราชสกุลสาวขมวดคิ้วจ้องอย่างสงสัยแง่ทรายหายไปไหน หลอนชะโหนและถามตัวเองอย่างเอกใจพยายามตรวจมองค้นหาไปรอบๆก็มองไม่เห็นวี่แววของเจ้าคนใช้พิเศษของหลอนก่อนจะออกไปข้างนอกหลอนยังสังเกตเห็นมันนอนหลับอยู่เป็นปกติแต่เดี๋ยวนี้มันอันตรท า, านไปจากที่นอนชแล้วพร้อมกะไรเฟินประจำตัวดารินชะงักในท่าที่สุดกายลงนั่งอยู่ทางปลายเท้าของพรรคพวก ที่นอนเรียงรายกันอยู่หันมองกลับออกไปทางปากถ้ำ<ม>ก็ยังไม่เห็นร่องรอยว่าระพิงจะกลับเข้ามาในขณะเดียวกันหูของหลอนก็แว่วเสียงการเคลื่อนไหวคึกคักผิดปกติขึ้นในถามกลางความเงียบสงัดของยามดึก ร, รู้สึกว่าจะเป็นเสียงกองทหารลิงวายาที่พากันเดินหรือมิฉะนั้นก็วิ่งไปอย่างฉุกระหุผ่านตรงบริเวณหน้าปากถ้ำ และบ่ายหน้าห่างไกลออกไปทางด้านหนึ่งในพวกของหล่อนยังไม่มีใครรู้สึกตัวตื่นขึ้นเลยจากสิ่งผิดปกติชวนคิดชนิดนี้เพราะมันไม่ดังอึกกระรึกจนเกินไปนักเจ้าทหารธโมลเหล่านั้นเคลื่อนไหวกันอย่างเดียวแต่ไม่ได้เปล่งสำเนียงร้องหรือส่งภาษาใดๆกันทั้งสิ้นเ ง, งาสายหายไปพานใหญ่ก็ยังไม่โผล่กลับเข้ามามันน่าจะมีอะไรสักอย่างนึงแน่นอน แล้วหล่อนก็คงไม่อาจสะกดใจรอฟังข่าวอยู่ภายในที่พักได้ ท, ทั้งทั้งที่ตื่นอยู่เช่นขณะ น, นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหล่อนเพิ่งจะแยกมาจากระพินยกนี่เองการย้อนกลับไปพบเขาเสียเดี๋ยวนี้บางทีอาจทำให้รู้ทันเหตุการณ์อะไรอีกบ้างหญิงสาวตัดสินใจเด็ดขาดอีกครั้งลุกขึ้นยืนย้อนกลับออกมาทางปากถ้ำ แล้วสาวทท้าย่างรวดเร็วตรงไปยังตำแหน่งที่หลอนเพื่อจะเดินมาเมื่อยกยกด้วยความหวังว่าอาจพบพรานใหญ่เดินสวนทางมาหรือมิฉนั้นเขาก็น่าจะอยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงกับที่ยืนพูดอยู่กับหลอนเมื่อครู่เงาของธโมนขนาดใหญ่หลายตัวเคลื่อนกายอย่างรวดเร็วสับสนในสายหมอกระหว่างที่ไฟฉายของหลอนสาดออกไปทาให้ต้องแปลกใจยิ่งขึ้น พวกมันเหล่านั้นสองสาตัวพอมองเห็นหล่อนก็ปรีเข้ามาห้อมล้อมทำกิริยาบุ้ยบ้ายซึ่งหลอนไม่อาจทำความเข้าใจในขณนะนั้นได้รีบเดินย้อนมายังที่ระพินเคยยืนอยู่โดยมีทหารลิงเหล่านั้นตามติดมาด้วยเป็นพรวนตำแหน่งที่เคยยืนคุยกันเมื่อครู่นี้ไม่ปรากฏเงาของพราณใหญ่ซะแล้วหญิงสาวอุทานออกมาอย่างตกใจกราดไฟฉายหมุนตัวไปรอบๆ ระพิ น, นร้องเรียกออกไปด้วยเสียงค่อนข้างดังเงียบปราศจากสำเนียงขานตอบหรือเสียงอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากเสียงร้องเบาๆในลำคอของเจ้าพวกลิงทะรมน์ทั้งหลายที่กำลังเข้าห้อมล้อมส่งภาษาบ้าทำมือทำไม้อยู่ดารินขมวดคิ้วย่างฉุกใจสุดขีดพยายามฉายไฟอีกครั้งแต่ก็มองไม่เห็นอะไร นอกจากสายหมอกและก้อนหินที่งอกอยู่ทั่วไปในระยะใกล้ๆกดไฟฉายลงสองล่องดูกระพื้นก็เห็นรอยเท้าของคนสองคนย่ำไว้กับพื้นหินที่เปียกชุ่มน้ำค้างบ่ายหน้าไปทางด้านตะวันตกสังเกตเห็นได้ชัดโดยแยกจากรอยเท้าของเจ้าทธมลเหล่านั้นเพราะพื้นเกลืเอยนี่มีรอยเท้าของแง่ายด้วยสองคนไปไหนกันนี่ หลอนอุทานออกมากับตัวเองอย่างมึนงงแล้วก็หันไปถามทหารลิงสองสามตัวที่กระโดดโลดเต้นทำอาการกระสับกระส่ายอยู่ตรงหน้าพวกมันทำเสียงหนักๆในลำคอเหมือนจะบอกความอะไรสักอย่างหนึ่งระหว่างที่หลอนใส่หน้ายัางอัดอั้นตันใจพระสงภาษาเจรจากันไม่รู้เรื่องนั่นเองเจ้าตัวนึงก็กระโดดเข้าฟ้าข้อมือหลอนดื้อลากให้ออกเดินในขณะที่อีกตัวนึงก็เข้ามาผลักดันข้างหลัง หล่อนรู้ในทันทีว่านั่นคืออาการชักชวนเร่งให้มุ่งไปยังที่ใดที่หนึ่งอย่างรีบด่วนซึ่งแน่ละมันน่าจะมีอะไรเกี่ยวพันกับการหายไปอย่างลึกลับของระพินกับแง่ทายแน่นอนระยะเวลามันห่างกันเพียงชั่วไม่กี่นาทีเท่านั้นหลังจากที่หลอนแผะจากเขาไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าพรานใหญ่จะมุ่งไปที่ไหนและเกิดอะไรขึ้นหลอนก็น่าจะตามได้ทันการ ดารินตัดสินใจทันทีไหนนำไปเร็วฉันต้องการพบพรานใหญ่โดยเร็วที่สุดหล่อนบอกแล้วก็ออกวิง่งเหาะๆตามหลังการนำของทหารลิงชุดนั้นเละลัดไปตามเส้นทางระหว่างก้อนหินซึ่งมันนำล่วงหน้าไปก่อนเต็มด้วยความร้อนใจเหลือที่จะกล่าวลืมแม้กระทั่งจะย้อนกลับไปปลุกพักพวกและบอกให้สั เจ้าลิงชุดนั้นเป็นมักคุเทศนําทางหล่อนได้อย่างดีที่สุดและแหแหนล้อมมาเป็นขบวนตัวหนึ่งนําอยู่ข้างหน้าอีกสองสามตัววิ่งเคียงมักะหลอนหญิงสาวบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าจุดหมายปลายทางของหล่อนอยู่ที่ไหนท่ามกลางราตรีอันมีแต่ความมืดมิดและหมอกลงจัดเช่นนั้นความกล้าหาญตามนิสัยและการตัดสินใจอันเฉียบขาดทําให้หลอนยอมตามไปกำมัน โดยไม่ครันครามต่อสิ่งใดทั้งสิ้นอย่างน้อยที่สุดหล่อนก็ถือซะว่ามีพวกมันเป็นเพื่อนและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่ามกลางทหารลิงพวกนี้มันย่อมไม่ทอดทิ้งหล่อนแน่นอนหญิงสาววิ่งไปพลางตะโกนเรียกชื่อระพินไปพลางเสียงของหล่อนดังก้องไปท่ามกลางความเงียบ ชั่วครู่เดียวที่ออกวิ่งและร้องเรียกไปพลางกำลังใจของหลอนก็ดีขึ้นในทันใดเมื่อได้ยินเสียงตอบมาจากความมืดเบื้องหน้าไม่ห่างนักคุณหญิงหรือนั่นคุณหญิงแหละครับใช่ระพินฉันเองรอด้วยหลอนร้องกระหืดกระหอบออกไปเร่งฝีเท้าขึ้นอีกชั่วอึดใจเดียวก็เห็นลำแสงไฟฉายส่องฝาสายหมอกสวนเข้ามาจากเงาตะคุ่มตะคุ่ม ที่ปรากฏอยู่ในมูหินข้างหน้าไม่ห่างออกไปนักดารินวิ่งตรงเข้าไปทันทีที่นั่นรพินไพยวันแงซ า, ายนีลาและพลลิงอีกกลุ่มใหญ่กําลังยืนคอยอยู่แล้วเป็นกลุ่มทันทีที่หญิงสาววิ่งหอบเข้าไปถึงพรานใหญ่ก็ทะลันเขามารวบต้นแขนทั้งสองไว้ร้องถามอย่างละล่ําละลักตกใจอะไรกันนี่ ไม่คุณหญิงยังไม่กลับก็ไปนอนอีกแล้วครับตามผมมาทำไมบอกฉันก่อนคุณก็แเงยทายกำลังจะไปไหนราชสกุลสาวพูดบนหอบเพราะออกกำลังวิ่งมาจนสุดฝีเท้าขณะมเมื่อได้ยินเสียงขานตอบของเขาตามองไปยังแง่ทา ย, ายผู้ยืนสงบนิ่งอยู่ตลอดจนเจ้าพวกทหารลิงทั้งหลายซึ่งแบบนี้พากันหยุดจ้องมองมาเป็นตาเดียว คุณหญิงนั่นแหละครับบอกผมมาก่อนสิว่าทําไมถึงย้อนกลับมาแล้วทําไมถึงกล้าตามมาคนเดียวอย่างนี้นี่ไม่ได้กลับเข้าไปในที่พักหรอกหรือครับท่านใหญ่กล่าวเร็วปรือกิริยายังเต็มไปได้วยความตกใจที่เห็นน้องสาวของนายจ้างในลักษณะเช่นนี้ฉันฉันฉันฉั น, ฉนดารินอึกอักพูดลิ้นพันกันจนแทบจับสั์ไม่ได้ ฉ, ฉัฉันฉกลับเข้าไปในที่พักแล้วแต่เห็นแงาทรายหายไปจากที่นอน แล้วคุณก็ยังไม่ตามกลับเข้าไปฉันสองหอนอว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจึงย้อนกลับออกมาเพื่อจะบอกให้บอกกับคุณเรื่องที่แงซทายหายไปแต่แล้วก็ไม่เห็นคุณอยู่ตรงบริเวณที่เก่าพอดีเจ้าทหารพระรามเหล่านี้มันช่วยกันฉุดล่าฉันนํามาทางนี้ฉันก็เลยเสียงวิ่งตามมาจนพบคุณนี่แหละระพินยิ่งช ง, งนยังจับแขนหล่อนไว้แน่นคุณหญิงกลับก็ไปถึงที่พักแล้วเหรอครับ ใช่แล้วโยนกลับมาอีกแล้วครับอีกฝ่ายพยักหน้าครั้นแล้วก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเอ่ยซักไ้คยคาใดกันขึ้นอีกนั่นเองเสียงแงซทายก็บอกขัดจังหวะมาเรียบเรียบว่าผู้กองครับอนุญาตให้ผมล่วงหน้าไปกานีลาก่อนดีกว่านะครับขืนช้าปล่อยมันผ่านทางขึ้นมาเราจะรับมือลาบากครับแล้วโดยไม่รอฟังคำเขาว่าจะอนุญาตหรือไม่ เจ้าเกรียงโฉมงามจอมกะล่อนก็หันไปโบกมือเป็นสัญญาณกันีลาที่ยังหยุดยืนรีรีรอรออยู่พากันจำเอาหายลับไปในเส้นทางเบื้องหน้าโดยเร็วปล่อยให้พระนุ่มกับนายจ้างสาวยืนประจันหน้าอยู่ตามลำพังพร้อมกับทหารพระรามบางส่วนซึ่งตามหลังดารินมาคอยเฝ้ารออยู่ด้วยระพินซอยเปลือกตาทีๆพอหันขวับมาตามเสียงพูดบอกความนั้น ก็ปรากฏว่าเจ้าตัวดีนำกายหายไปในม่านหมอกซะแล้วจึงหันกลับมาทางน้องสาวของนายจ้างอีกครั้งเดี๋ยวเขาร้องหนักๆในลําคอจ้องหน้าหลอนขมิงคุณหญิงย้อนกลับออกมาข้างนอกนอีกครั้งได้ยังไงล่ะครับนี่คุณชายไม่ได้ทักท้วงอะไรหรอกเหรอดาริ น, น่าตื่นสายหน้ายังพาซื่อก็พี่ใหญ่กระทุกคนหลับ ไม่มีใครรู้สึกตัวขึ้นเลยตอนเนี้ยจอมผ่านอ้าปากข้างฮึไม่มีใครตื่นเลยเหรอครับแม้แต่คุณชายเชิดฐานน่ะหรอครับก็ไม่มีใครตื่นเลยสักคนน่ะสิพวกนั้นน่ะหลับเป็นตายกันหมดพี่ใหญ่ก็เหมือนกันคุณหญิงแน่ใจหรอครับก็ทําไมจะไม่แน่เล่าก็แต่เขาตื่นอยู่เขาก็ต้องถามฉันแน่นอนว่าฉันจะเอาไปไหนนี่ฉันเห็นนอนกรนกันหมดทุกคน ระหว่างที่ฉันย้อนกลับออกมาอีกครั้งอ่ะระพินไครวันหันขับไปทางด้านที่แงซ า, ายเดินหายลับไปแล้วพร้อมกับเม้มริมฝีปากแน่นโครงหัวดิหาจวกแงซ า, ายมึงนํามึงก้มกูจนได้ชักรีเพนหลบหน้าไปเลยเขาสบดพรนอยู่ในลำคอชนิดที่ดารินไม่อาจจับกระแสะความได้ถนัดคุณว่าไงอ่ะ แานใหญ่ฝืนหัวร้อคือในลำคอเปล่าแล้วครับไม่ได้ว่าอะไรแล้ครับถึงจะไม่มีพวกเราคนใดตื่นขึ้นเลยความจริงคุณหญิงก็ไม่ควรจะตามผมออกมานะครับนิวสาวิ่งตามมาไกลจนถึงนี่มันเสี่ยงเหลือเกินนะครับไม่ดีว่าตามมาถูกทางก็ไหนสัญญากับผมไว้ว่าจะกลับเข้าไปนอนไงครับก็ฉันบอกแล้วไงว่าทีแรกฉันก็ตั้งใจจะกลับเข้าไปนอนแล้วแต่เห็นแงาทายหายไป สงสัยก็เลยจะออกมาบอกคุณนะ่ะฉันไม่กลัวหลงหรือเกิดอันตรายอะไรขึ้นหรอกเพราะอย่างน้อยก็มีเจ้าทหารพระรามเหล่านี้มาเป็นเพื่อนด้วยแต่คุณนะ่ะที่ยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าคุณกับแง่ทรายกำลังจะไปไหนกันรู้สึกว่ามีอะไรจะผิดปกตินะจอมพรลจุปากชึกจักโคลงหัวเดีอยอยู่เช่นนั้นในที่สุดก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้ยังถอนฉิวดาริ น, น่าตื่นงงอยู่เช่นเดิมถามต่อมาว่า แล้วนันแงซายนะ่ะพรวดพลาดหายไปซะละคุณชายเขไปทําอะไรเหรอก็ทําไมมันถึงจะไม่พรวดพราดเพนหนีไปก่อนละครับคุณหญิงในเมื่อคุณหญิงมาทําให้ผมจับตอแหลของมันได้เนะี่ยมันต้มผมจะเกือบสุกไอ้เปรดนี่มันกลลเม็ดเด็ดพลายสารพัดก็ดีว๋วเถอะกระทือไปได้จะพับพาดิเอ๊ะ อ, อะไรกันฉันไม่เข้าใจอะดารินร้องอย่างงุนงงคุณหญิงครับ โปรดทราบไว้ด้วยเถอะครับเพราะคุณหญิงคล้อยหลังจากผมไปเมื่อตะกี้นี้เพียงแค่ลับตาเท่านั้นไอ้เวนนั่นก็โผล่พรวดออกมาทางข้างหลังผมไอ้เวนไหนก็ไอ้เวนคนใช้พิเศษของคุณหญิงนั่นแหละเหรอแล้ ว, ลวยังไงผมเป็นห่วงคุณหญิงก็จะเดินทางหลงกลับที่พักไม่ถูกกำลังจะออกตามไปส่งมันก็มาขัดจังหวะซะก่อน มันพูดเป็นเชิงไม่ให้ผมตามคุณหญิงไปเสียเวลาแล้วก็พูดเชิงให้ผมรู้ซะว่ามันมาแอบยืนดูรู้เห็นการพบตะระหว่างผมกับคุณหญิงหมดแล้วผมนะ่ะกำลังจะเตะมันเพราะความสื่อกะโหลกไม่เข้าท่ามันก็เลยรีบบอกซะก่อนว่าคุณชายตื่นเห็นคุณหญิงหายไปก็เลยใช้มันออกมาตามผมนะ่ะเชื่อสนิทว่าเป็นความจริงก็เลยลืมเรื่องที่คิดจะเตะมันซะในความทะลึ่งข้อนั้น ก็ปรากฏจากปากคำของคุณหญิงเดี๋ยวนี้เองว่าคุณชายหรือพวกเราคนไหนก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาเลยไอ้แง่ายมันเอาชื่อคุณชายมาโกโหกมาคู่ผมให้เสียวสันหลังเล่นซึ้งๆหน้านั้นแหละนี่ถ้าบังเอิญคุณหญิงไม่ตามอะ่ะแล้วบอกความจริงให้ทราบผมก็ถูกมันแหกตาสนิทไปเลยตายจริงดารินอุทานลืมตากว้างแล้วหัวเราะออกมา แม่ร้ายเหลือเกินแงซทายนี่ก็ทำไมก็ถึงต้องบอกคุณอย่างนั้นด้วยเล่ามันใช้คำพูดประโยคนั้นนะสกัดผมซะในกรณีที่ถ้าผมจะด่าหรือเตะมันในเรื่องที่มันเสือกมาแอ บ, บสังเกตการอยู่คุณหญิงรู้ไว้ด้วยเถอะเพราะผมตามหลังคุณหญิงมามันก็ลุกขึ้นสะกดรอยซ้อนมาทันทีแล้วแอ บ, บไปซุ่มอยู่หลังก้อนหินที่เรายืนพูดกันอยู่แอบบดูแอบบฟัง ตามสันดานสอดรู้สอดเห็นของมันน่ะแหละเป็นแบบนี้มาหลายครั้งหลายขนละแต่ผมไม่อยากจะบอกให้คุณหญิงทราบเองอ่ะอันนี้จังสุขขังเอ้ยราชสะกุลสาวแทนที่จะเดือดเนื้อร้อนใจอย่างเขากลับเห็นเป็นเรื่องขบขันหัวรอกี้กจนตัวงออ๋อมีหน้าล่ะพอเห็นฉันวิ่งตามคุณมาก็เลยหลบหน้าเปิดแนบไปเลยนี่ ที่คุณหญิงกลับเห็นเป็นเรื่องง่ายเอ็นดูไปงั้นเหรอสําหรับพฤติการชวนเตะของไอ้คนใช้พิเศษของคุณหญิงคนนี้รพินกระชากเสียงออกมาอย่างห ง, งุดหงิดใช่สิฉันไม่ได้โกรธเคืองหรือเห็นว่าเป็นความผิดอะไรของเขาเลยละ่ะฉันเอ็นดูก็เสียอีกนายทรายทำถูกแล้วก็ก็มีหน้าที่ก็ เ, เป็นองครักษ์ประจําตัวของฉันไม่ว่าอะไรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของฉันเขาก็ควรจะต้องสอดส่องอยู่ทุกขณะ ดีแล้วล่ะที่เขาสะกดตามหลังคุณออกมาในขณะที่คุณตรงเข้ามาหาฉันว่าได้แล้วถ้าคุณคิดจะบีบค อ, อยังขึ้นมาแง่ทรายก็ยังช่วยฉันได้ทันหรือถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเราทั้งสองคนอย่างน้อยก็มีแง่ทรายคอยระวังคุมเชิงอยู่อีกคนหนึ่งพรานอื่นๆของคุณนะ่ะหาที่ไหนอย่างนี้ได้สักคนพอหลังแตะพื้นก็กรนครอกกันไปหมดจะาใสาใครเป็นหูเป็นตาบ้างไม่ได้เลยมีแง่ทรายอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละ ที่ไว้วางใจได้ในเรื่องเช่นนี้คุณหญิงอ่ะไว้ใจมันให้ดีไปเถอะนี่แล้วคุณจะไม่ยอมบอกฉันเหรอว่าก่อนที่ฉันจะวิ่งตามคุณกะแง่ทรายมาเนี่ยสองคนกำลังจะไปไหนกันก็ไซเซราท็อปนะ่ะมันกำลังจะหาทางขึ้นมาทางด้านตะวันออกของเมืองลิงนี่ไงนีลามาบอกข่าวเช่นนี้กะแง่ทรายเป็นเหตุการณ์บังเอิญ ก็ตอนที่เจ้าแงซสายสะกดหลังผมมาน่ะแหละครับผมคิดว่ามันเป็นโอกาสดีแล้วที่จะจัดการให้เสร็จสิ้นไปภายในคืนนี้ตามความต้องการของคุณหญิงไอ้ตัวสามเขาศัตรูของวายาน่ะเหรอครับอา้าวถ้างั้นเราจะมาหยุดยืนชักช้ากันอยู่ทำไมเล่าก็รีบตามแงซสายไปเดี๋ยวนี้เถอะนี่ก่อนที่ฉันจะวิ่งตามหลังคุณมานะ่ะคุณกับแง่สายก็กาลังจะไปด้วยกันไม่ใช่เหรอดารินพูดอย่างตื่นเต้น รีบร้อนระพินมองดูหน้าน้องสาวนายจ้างอย่างอึดอัดยุ่งยากใจผสมกับอารมณ์เสียที่ถูกเจ้าตัวดีออกลูกไม้ตุนไว้เกือบสุกคุณหญิงครับครั้งแรกนะผมตั้งใจไว้ว่าจะไปช่วยเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้วิธีที่ถูกต้องที่สุดก็คือปล่อยให้มันไปตายคนเดียวดีกว่าครับอะไรกันระพินทาไมคุณพูดแบบนี้จริงๆนะครับคุณหญิง ไอ้เจ้าคนใช้ตัวดีของคุณหญิงนะ่ะมันต้องผมมาหลายซับหลายซ้อนเหลือเกินผมนะ่ะออกคำสั่งกับมันไว้ก่อนแล้วอเรื่องไซเซราท็อปตัวนี้ผมใจมันดำเนินการไปคนเดียวโดยผมเองจะไม่ยุ่งด้วยเจ้าแง่ายก็พยายามออกลูกไม้เลี้ยวรถมาหลายอย่างแล้วที่จะดึงผมไปทำงานร่วมกับมันให้ได้พูดมาตรงๆก็คือมันไม่ชอบเสียเปรียบลาบากหรือว่าเสี่ยงคนเดียวแต่ผมก็ไม่ยอมบงังแต่ผมก็ไม่ยอม บังคับไปมันไปทำคนเดียวจนกระทั่งมันเองก็จำนนเพราะผมถือไม่ตายเหนือกว่าแต่ว่าระสุดท้ายจริงๆผมก็กลับเสียรู้มันเข้าจนได้เสียรู้ยังไงฉันไม่เห็นเข้าใจที่คุณพูดเลยก็ทำไมจะไม่เสียรู้ล่ะครับก็มันแอบตามหลังผมกับคุณหญิงออกมาแล้วโกหกว่าคุณชายตื่นขึ้นเห็นน้องสาวหายลึกแลบออกไปกับพรานนาทางเลยใช้มันออกมาตามดู มันแย่ผมไปแบบนี้ผมก็สะดุ้งใจไม่ดีอยู่แล้วแล้วมันก็บอกว่ามันจะไปจัดการกระตัวสามเขาเพราะนีลามาบอกข่าวให้รู้ผมก็เลยต้องตกกระไดพลอยโจรจำเป็นต้องไปกับมันอยู่ดีเพราะถึงยังไงผมก็ไม่อยากจะย้อนกลับเข้าไปไปเชิญหน้ากับคุณชายในตอนนี้ก่อนทั้งหลายแหละถึงได้บอกไงว่ามันเป็นอุบายบังคับให้ผมต้องไปกับมันทางอ้อมหาทางแก้ลําที่ผมเคยสั่งไว้ให้มันไปทางานคนเดียว ดารินยิ้มพลายมองดูเขาด้วยดวงตาเป็นประกายนี่ระพินความจริงนะคุณควรจะรักแงสายให้มากๆนะรักมันทําไมระพินโผล่ออกมาเกิดบจะเป็นเสียงตะคอกคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งคุณก็ควรจะรักคนที่เขาฉลาดและเก่งเหมือนคุณด้วยสิเพราะคนประเภทนี้นะ่ะถ้าคุณพลั้งพลาดอะไรลงไป มีเขาอยู่ด้วยก็ยังช่วยเหลือแก้ไขกันได้แล้วแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแง่ซ า, ายพยายามจะกระล่อนเหนือเม่กระคุณยังไงฉันก็เห็นคุณจับลูกไม้เขาได้ทุกทีแหละอย่าถือเป็นเรื่องจริงจังขุนข้องใจอยู่เลยคุณยิ่งโมโหเกลี้ยวกล่อกับแงซายเท่าไหร่รู้ปะ่ะแง่ซ า, ายก็ยิ่งสนุกแอบยิ้มเยาะคุณได้มากเท่านั้นมาว่ากันถึงเดี๋ยวนี้เถอะคุณจะยังไงผมจะกลับ โดยปลอให้แง่ใจเผชิญหน้ากับตัวสามเขานั้นตามลำพังอย่างนั้นเหรอก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละสาสมกับที่มันพยายามจะลูกไม้พริกแพลง ก, กับผมก็ได้เหมือนกันแต่ขอให้รู้ลร่วงหน้านะถ้าคนของฉันเป็นอะไรลงไปฉันโทษคุณอย่างเต็มที่จอมพรานชะงักอะแล้วทำไมจะต้องโทษผมล่ะทำไมถึงไม่ให้ความยุติธรรมกับพินบ้าง โทษสิหล่อนเอียงคอซ่อนยิ้มภายใต้สีหน้าเคร่งจริงจังเพราะว่าคุณรู้เรื่องดีอยู่แล้วคุณกำลังจะไปช่วยเขาแต่แล้วก็กลับใจบอกให้เขาไปเชิญหน้ากันอันตรายตามลาพังทั้งทั้งที่ถ้าจะช่วยได้คุณทั้งทั้งที่ถ้าจะช่วยคุณก็ช่วยได้ผมเชื่อมือแงสายนะครับว่าไอีเพียงแค่ไซสระทอบตัวนั้นน่ะมันต้องปราบได้ตามลาพัง แต่นั่นแหละคุณจะเชื่อยังไงหรือไม่มันไม่สำคัญหรอกหรือคุณจะกลับซะเดี๋ยวนี้ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่างที่ฉันบอกไว้แล้วถ้าแงสายเป็นอะไรลงไปฉันจะไม่มีวันให้อภัยคุณเป็นอันขาดจำว่าเราจะไม่ต้องมามองหน้ากันตลอดไปอีกเลยในชาตินี้ในที่สุดคุณหญิงก็บังคับผมให้ไปช่วยมันจนได้แหละฉันไม่ได้บังคับ แต่มีเงื่อนไขคุณช่างใจเอาเองอย่างนี้ก็เมื่อคุณแน่ใจว่าแง่สายมีฝีมือดีพอที่จะจัดการกับไอ้นั่นได้ตามลาพังคุณก็กลับไปนอนสิปล่อยแง่สายเดียวตามลาพังฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่แล้วคุณหญิงอะ่ะฉันก็จะไปกับแง่สายรรบพินไพรวันขยี้จมูกยังหงุดหงิดใจเหลือที่จะกล่าวหมุนตัวกระสับกระสายอยู่ไปมาแล้วพูดมาห้วนหวน อ่ะตกลงงั้นผมจะตามมันไปแต่คุณหญิงต้องกลับที่พักดารินสันศีสะจับแขนเขาไว้จุดให้เดินต่อไปข้างหน้าพร้อมกับพูดว่านี่ระพินเราจะเสียเวลาโตเถียงหรือเอาแง่เอางอนอะไรกันอยู่เลยไปช่วยแงย่สายกันเถอะฉันรู้หรอกว่าถ้าฉันสเสนอเงื่อนไขกับคุณแบบนี้ยังไงเสียคุณก็ถอดทิงง้งแงสายไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหม เพราะผมกลัวว่าคุณหญิงจะตามแง่สายไปด้วยอย่างที่ขู่สีสินั่นนะมันไม่สำคัญหรอกระพินถ้าคุณเชื่อว่าแง่สายจะทำงานได้สำเร็จด้วยตนเองได้แต่นี่มันก็พิสูจน์ออกมาแล้วไงว่าถึงตัวคุณเองก็ยังไม่วางใจนักว่าแงซสายจะทำได้สำเร็จและจะปล่อยเข้าไปคนเดียวได้ยังไงแง่สายนะถึงจะแพรวพราวสักแค่ไหนก็แน่ใจสิด เขาไม่มีวันเหนือไปกว่าพรานใหญ่ระพินไพรวันได้ในทุกสถานการณ์คิดสิว่าเขาแค่ยั่วคุณเล่นแล้วคุณจะไม่โกรธเขาเท่ากับคิดว่าเขาพยายามลบเหลี่ยมรูปคมอะไรคุณแต่มันโกหกผมอะโกหกเพื่อหลอกต้อนเอาผมไม่กำมันให้ได้ อ, อ้าวทำไมถึงไม่คิดมั่งล่ะ ว่าที่เขาหลอกต้อนเอาคุณไปกับเขาด้วยในงานเสียงอันตรายครั้งนี้นะ่ะมันเพราะอะไรมันก็ไม่ต้องการให้ผมได้อยู่สบายเมื่อผมใช้ใมันไปลําบากมันก็เลยจะล่ากับผมไปด้วยก็ตามสัญดานที่มันไม่ยอมเสียเชิงอะไรว่าแทนที่จะคิดเช่นนั้นทาไมคุณไม่คิดในแง่มุมกลับตรงข้ามมั่งเล่าคิดในแง่ดีไงแง่ดียังไง ทั้งสองโตเถียงกันไปพลางในระหว่างที่เดินตามรอยแง่ทรายไปอย่างรีบรุดอีกฝ่ายกำลังร้อนเป็นไฟทั้งๆ ท, ที่อากาศหนาวเยือกจนคางแทบสัน่นคุณก็คิดว่าที่เขาพยายามจะรั้งตัวคุณไปด้วยให้ได้นั่นก็เพราะหวังไว้ว่าถ้าเขาพลาดพลั้งยังไงคุณจะได้เป็นหลักประกันความปลอดภัยช่วยเหลือเขาได้ถ้าคิดอย่างนี้คุณจะสงสารแง่ทรายนะแทนที่จะโกรธ ระพินอึ้งไปครู่ใหญ่หน้านิ่วคิ้วขมวดระหว่างที่ก้าวเดินไปอย่างรีบเคียงคู่ดารินโดยมีทหารพ ร, รามชุดนั้นเข้าขาบวนแวดล้อมไปด้วยทำหน้าที่แกะรอยนำทางให้ไกลไกลก็แล้วทำไมมันไม่บอกผมซะตรงๆแล้วว่ามันกลัวจะทำงานคนเดียวไม่สำเร็จนี่ระพินเป็นคุณนะคุณจะบอกไหมบอกให้เสียเหลี่ยมทาไม ในเมื่ออีกฝ่ายนึงใช้อำนาจขู่เข็นบังคับให้ทำงานชิ้นนี้คนเดียวซึ่งขึ้นอยู่ในหลักที่ว่าไว้วางใจเชื่อฝีมือกันจอมพรานถอนใจเฮือกใหญ่ไหนที่สุดคนที่ฉลาดเหนือกว่าระพินกางแง่ทรายก็คือคุณหญิงดารินนี่เองไม่หรอกถึงยังไงฉันก็ไม่มีวันตามคุณกางแง่ทรายได้ทันในทุกกรณีหรอกเพียงแต่เมื่อรู้เรื่องราวเข้า ก็พอจะทาหน้าที่เป็นสื่อกลางอธิบายปรับความเข้าใจให้แก่ทั้งสองฝ่ายได้บ้างเท่านั้นก็น่าจะประสานความเข้าใจกันได้ง่ายๆนะคุณก็มัวแต่จะคอยจับผิดแง่ทรายอยู่ทุกฝีก้าวส่วนแง่ทรายนะั้นฉันก็เชื่อว่าไม่มีอะไรมากไปกว่านิสัยของเขาอ่ะเป็นคนที่เล่นเงียบๆมักจะชอบอยั่วแย่คุณเล่นอยู่เสมอแต่เท่าที่สังเกตเห็นมาอะไรที่จะจี้จุดให้คุณเต้นได้ เขาก็แอบทาอยู่เสมอเพราะรู้เส้นใช่ละแต่ฉันกล้ารับรองนะว่าแง่ทายไม่เคยมีอคติหรือประสงค์ร้ายอะไรกับคุณเลยเขารักเขารบแล้วก็ยำเกรงคุณมากในด้านฝีไม้ลายมือหรือความจับเจนทุกชนิดแต่ฉันก็เชื่อว่าเขารู้ตัวดีว่าเขาเป็นรองคุณและหวังพึ่งคุณอยู่เสมอคุณหญิงทราบได้ไงฉันรู้สิ แง่ท า, ายพูกกับฉันและพวกเราทุกคนอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าปราศจากพรานใหญ่ระพินไพรวันซะแล้วถึงแม้จะมีเขาเหลืออยู่ก็ตามเขาก็ไม่แน่ใจว่าจะนำทางพวกเราทุกคนไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่นั่นนะมันเป็นการพูดด้วยความฉลาดของหมาจิ้งจอกอะคุณก็จะไม่น่ารักก็อีตอนที่มองเห็นอะไรในแง่ร้ายอยู่เสมอนี่แหละระพิน แต่ฉันก็รู้นะว่าคุณทําพูดว่าแงซายไปงั้นแหละใจจริงคุณก็รักชอบแงซสายอยู่เหมือนกันแงซสายตกอยู่ในห่วงอันตรายหรือเป็นอะไรลงไปคุณก็ทนนิ่งดูได้ไม่ได้อย่ามาเล่นจิตวิทยากับผมนะคุณหญิงดารินผมบอกแล้วยังไงล่ะว่าคนที่ลูกไม้เก่งที่สุดไม่ใช่รพินหรือแงซายหากจะเป็นคุณหญิงั่แหละนี่นี่นี่ยังหัวเสียไม่หายหรือจ้าเพราะคนขี้เก๊ก แก๊ซจ น, น้าแก่แก่รู้ตัวมักงไหมรู้สึกว่าคุณหญิงอารมณ์ระรื่นเหลือเกินนะครับไม่รู้หรอกนะครับวันนี้เรากำลังจะบ่ายหน้าไปไหนก็ไปเซ่ฮัลโหลกับไอ้ตัวสามเขายัางไงทำไมฉันจะไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับสถานการณ์รอบตัวเราขนาดนี้นะมันอันตรายสะแค่ไหนจะต้องหวั่นอะไร ในเมื่อฉันอยู่ใกลร้รพินไพรวันเพียงแค่นี้หนักยิ่งไปกว่านี้หลายร้อยเท่าก็เคยเคยผ่านกันมาแล้วไม่ใช่เหรอคุณชายและคนอื่นๆก็จะตำหนิผมหาว่าผมชวนคุณหญิงออกมาเสี่ยงโดยไม่จำเป็นน่ะดิฉันมีปากนะจ๊ะฉันมีปากที่จะบอกกับพวกเขาได้เพราะฉันตามคุณออกมาเองโดยที่คุณไม่ได้ขัดโดยที่คุณขัดขืนไม่ได้คุณเป็นห่วงฉัน ที่พลอยมาเสี่ยงอันตรายอยู่กับคุณโดยใช่เหตุฉันเข้าใจแต่คุณไม่เข้าใจบ้างเหรอว่าในทุกครั้งที่คุณเผชิญหน้ากับอันตรายฉันอยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณด้วยเพราะฉันเป็นห่วงโดนเข้าไม้นี้พรานใหญ่ระพินก็จำนนโดยราบคาบไม่มีทางที่จะพูดให้หลอนปละกลับไปได้ทั้งๆ ท, ท, ที่เต็มไปด้วยความห่วงพวงสารพัดชนิด การดื้อดึงติดตามมาด้วยของราชสกุลสาวทําให้ความคล่องตัวของเขาหมดสิ้นไปซะและ้วเพราะจะต้องมัวคอยกังวลอยู่ตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์มันเป็นเวลากลางคืนอันมืดมิดและปกคลุมไปได้วยหมอกหนาทึบเช่นนี้การประจันหน้ากับมหันตภัยลักษณะเช่นนี้ของเขาโดยมีน้องสาวคนสวยของนายจ้างร่วมอยู่ด้วยไม่ใช่เหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นครั้งแรก หล่อนเคยระจญร่วมกับเขามานับครั้งไม่ถ้วนแล้วและในวินาทีสำคัญสุดยอดอันหมายถึงความเป็นความตายนั้นดารินก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเก่งกล้าสามารถเพียงไรและมักจะโชคเข้าข้างคล้ายๆจะมีปาฏิหาริ์เข้าช่วยอยู่เสมอซึ่งบ่อยครั้งซะด้วยซ้ำที่หล่อนกลับเป็นฝ่ายแก้ไขช่วยเหลือเขาไว้ได้ทันการ มีลูกปืนสำรองมาด้วยหรือเปล่าล่ะครับมีสามชุดแล้วมีแรงวิ่งแน่นะถ้าจำเป็นระพิน์ไทวันไม่กล่าวอะไรอีกตบลูกเลื่อนขึ้นแง้มดูลูกที่บรรจุพร้อมอยู่ในรังเพลิงเพื่อความแน่ใจอีกครั้งแล้วตบเข้าที่ใช้ลำไฟฉายในแวดวงจำกัดเพียงแค่ส่องสังเกตทางไปเป็นระยะ นอกนั้นส่วนมากใช้เดินไปด้วยสัญชาตญาณและประสาทสัมผัสที่จัดเยนพอๆกับสัตว์ปากอย่างน้อยที่สุดเขาก็พอสังเกตเห็นได้จากการนําของเจ้าพ ร, รามกจากการนําของเจ้าทหารพ ร, รามเหล่านั้นซึ่งพวกมันล้วนชํานาญดีอยู่แล้วในการบุก ป, ป่าฝ่าภัยในยามวิการและสามารถจะมีคารนประสาทอันเฉียบไวล่วงรู้ได้ในทันทีว่า ศัตรูอยู่ในรัศมีใกล้หรือไกลเพียงใดแม่หมอกและความมืดจะเป็นฉากบังอยู่ในขณะนี้ดารินติดหลังเข้ามาในระยะที่เอื้อมมือถึงกันไดไรเฟิลและไฟฉายพร้อมอยู่ในมือลอนไม่ใช้ไฟขึ้นเลยอาศัยเขาเป็นเครื่องนำทางในความมืดนั้นขนทางเดินแม้จะสังเกตภูมิประเทศไม่ถนัดนักก็ตาม แต่รู้สึกได้ว่ามันเป็นเส้นทางที่เดินลาดสู่ที่ต่าเป็นลำดับท่ามกลางป่าหินที่สลับไปกับต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นเรียงรายอยู่เป็นระยะทางด้านซ้ายมือในความรู้สึกของระพินดูเหมือนจะเป็นที่ลาดชันลงไปสู่เบื้องล่างลึกสักเท่าใดยังประมาณไม่ได้เส้นทางนั้นจึงเปรียบเสมือนเดินเลียบไปตามไหลเขา ตามพื้นซึ่งอุดมไปด้วยกรวดหินและดินลูกรังเปียกชุ่มไปด้วยน้ําค้างมีรอยของแง่ทรายและพลลิงชุดที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วนั้นนำไปเบื้องหน้าแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวของพวกนั้นเลยคล้ายจะทิ้งระยะห่างล้าออกไปไกลพอล่วงเข้าบริเวณอันหนาแน่นไปด้วยหมู่ก้อนหินสูงสูงต่ําๆซึ่งเรียงรายหนาตาผิดกับบริเวณอื่นๆที่ผ่านกันมาแล้วนั้น บัดนั้นเองเจ้าํามโมนที่นำอยู่เบื้องหน้าของราพินก็หยุดชะงักทรงกายขึ้นสองขาพริบตาเดียวที่เขาสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติและฉายไฟกราดไปกระทบกับด้านหลังของมันเสียงหนึ่งก็ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันท่ามกลางความเงียบสงัดจนต้องสะดุ้งขึ้นสุดตัวมันเป็นเสียงแผดคำรามสนานวานไหวพร้อมกับแผ่นดินที่ยืนอยู่ลันคืคือ เสียงร้องอย่างตกใจของทหารพระรามทั้งหลายซึ่งแสประสานกันจนแยกสับประสัเนียงไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรและติดตามมาด้วยกำบนรณาของไรฟลจุดสหซึ่งแน่ล่ะไม่มีใครนอกจากแง่ทายนั่นเองมันแท้สะเทือนเลื่อนล่างขึ้นสองตัติดๆปกันจะเป็นด้วยอุปท า, านด้วยหูฝาดไม่ทาบได้ทั้งรพินและดาริน ซึ่งยืนตะลึงเคียงกันอยู่ชั่วขณะจิตคลับคลายคลับคาว่าจะได้ยินเสียงร้องลั่นขึ้นครั้งหนึ่งภายหลังจากเสียงระเบิดของกระสุนไรเฟริลนัดที่สองน่าจะเป็นเสียงของแง่ทายเพราะผิดจำเนียงไปจากเจ้าทหารพระรามเหล่านั้นดังแว่วมาเกือบจะเป็นเสียงเดียวกับการเคลื่อนไหวกระทบกันของก้อนหินสองก้อนประดุดภูเขาทั้งลูกถล่มปะทะกันแล้วก็เงียบหายไป ทั้งเสียงคนร้องและเสียงไรเฟิลเหลือไว้แต่เสียงทำรามอย่างดุร้ายและเสียงฝีเท้าหนักๆปานช้างสารสักสามเชือกวิ่งพ่อสุธาสะเทือนสวนหน้าตรงเข้ามาเงาซ้ยดารินร้องล่นอย่างลืมตัวคลิปตานั่นเองร่างของหลอนก็ถูกเวียงกระเด็นพลจากเส้นทางด่านเข้าไปกลิ้งอยู่หลังก้อนหินพร้อมกับพรานใหญ่ผู้พุ่งกายตามไปเข้ามา มันเป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าทโมนซึ่งบางอยู่เบื้องหน้าทั้งสองปะทะเข้ากับปูเขาเคลื่อนที่ลูกหนึ่งซึ่งพุ่งฟาหมอกและความมืดเข้ามาอย่างรวดเร็วประดุดเงาปีศาจปรากฏเสียงพลากสนันวันไวเกินกว่าที่เจ้าลิงเคราะราจะหลบทันร่างขนาด6กฟุตของมันลอยละลิ้วขึ้นไปบน อ, อากาศพระถูกเซยงัดแล้วห ล, นล่นโค้งลงมากระทบกับก้อนหินที่ระพินกับดารินมอบลบอยู่ กระเซนเลือดสากระจายไปทั่วพรมลงมาบนร่างของคนทั้งสองแดงฉานแล้วสิ่งอันเลเห็นสันฐานในความมืดว่าเป็นภูเขาเคลื่อนที่ลูกนั้นก็วิ่งแผ่นดินไหวพุ่งเข้าหาลาวานอนกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังถัดไปตามเส้นทางนั้นอย่างกระหายเลือดทหารพระรามเมืองขีดขินจำนวนส5หตัวเหล่านั้นร้องสุดเสียงแต่กระจายกันออกสองฝั่งทางอย่างจ้าละวัน บางตัวเพนเข้าหลบหลังก้อนหินบางตัวเพนขึ้นเกาะต้นไม้ริมทางและไบล้นลานหนีขึ้นไปตาลีตาเลือกปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นภายในเซี่ยวของวินาทีเหล่านี้มันสับสนชุลมุนไปหมดเลาวกับฝันร้ายในคืนที่ทาตุผิดปกติแม่ระพินไพรวันเองก็ตัวแข็งไปหมดเลือดในกายทุกหยดแทบจะจับเป็นก้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงร้องของแง่ทรายที่กึกก้องขึ้นแล้วเงียบสนิทหายไปเมื่ออึดใจที่แล้ว <c oughs> เขาแทบไม่ยอมเชื่อหูเลยว่านั่นเป็นเสียงของแงาซทรายมันทำให้ขวัญและกำลังใจของจอมพรานสลายไปสิน้นแทบจะหมดเรี่ยวแรงเคลื่อนไหวได้ส่วนดารินนั้นบัดนี้หัวใจดูเหมือนจะหยุดเต้นไปชั่วขณะ